การเพิดโซคาร์ทัมมิกเจริในธรรมย่างคุณแม่ชีนักวิทยธรรมทุกท่านมือลงก็จะพูดถึงความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็สบาย หรือความสะดวกสบายในการมาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นยุคของสมัยหลวงพ่ออมเขียนเพื่อให้เราได้ยินได้ฟังสำหรับคนใหม่ใหม่กวา่ายังเป็นวันนี้ที่เรามาเบื้องหลังมันมีกวเห็นคนขับรถเบนซ์มันมีนนเบื้องหลังอยู่ในการทํางานมันจะเป็นช่วงๆเป็นยุคๆของมัน ยุคที่อนมามาบวชใหม่อยู่ที่นี่น่มันก็มีเรื่องปฏิบัติธรรมวันๆก็บอกว่าเออนวลเกอ น, นไหวโดิยังกมนั่งสร้างยงังไหวนวนอยู่กันนิ่งๆยุคนั้ น, นคนมาเรื่องอื่นอยู่ไม่ได้เลยที่พักก็ไป ม, มีน้ำก็ไม่มีหมายถึง ในเขตเนเขตเนี่ยไม่มีเลยสักหลังเดียวมีป่ายาคามีมะม่วงน่มันมาเกิดขึ้นที่หลังนนั่นแหละทีนี้การปฏิบัติจะมีอยู่ในป่ากุฏิเก่าๆไม่กี่หลังหรอกแต่คนมาก็อยู่กันเงียบๆเดินยงกรมนั่งสร้างยังว่า ออกมาแล้วประทานอาหารอาหารมีน้ําพริกมีแจ่วไม่จีก็ตังมันทุกวันถ้วยหนึ่งเรามีผักจิ้มน้ําพริกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพระส่วนใหญ่มาที่นี่ก็ผอมหมดหัวโตไม่มีอิ่มมีปีมันไม่มีมีเราขาดขาดเกินเกินนี่หา ย, ยากมากวันไหนเรามีฉันเพลหรือว่าฉั น, นวันนั้นอ วันนี้เป็นอดิเลกลาบมีอีกมือหนึ่งพ่อท่านก็พยายามให้ฝึกแบบอดๆหยากๆมีธรรมชาติต่วใหญ่ย่างพ่อเ็บอกว่าอย่ามานะวัดป่าสุกโตมันอดอยา่าง แต่ถ้ามาก็มาไปเราทำมาฝึกสติอันเดียก็มาเออพระเหมือนกันถ้กินเหล้าสูบุลี่ว่าไม่ต้องมาก็ได้สูบุลี่จริงๆพ่อพูดแรงนะไอ้ชาติหมาพอพูดอย่างนี้เลยนะเลยพูดธรรมดาธรรมดาแต่มันมีบริบทนิดนึงมีเรื่องอ้างนิดนึง ถ้าใครพอจะมีสภาวะธรรมตั้งใจปฏิบัติทันือพูดแสดงออกธรรมะที่เลยมาฝึกมหาหัดแล้วก็พาตัวเองให้พ้นทุก์ใจเทศบอกต่อๆกันไปบางทีไม่มีคนเทศหรอกโยมเนี่ยเทศตลอดอย่างอาจารย์สมใจมาทีเนี่ยสมใจท่านเป็นอาจารย์เกษียณตอนที่เป็นรอทิการว ด, ดี ลองลองกันนบะบดีทีนี้เวลามาที่ไหนอาจารย์จใจกบโดนเทศโดนแสดงออกเวลามาปฏิบัติช่วงปิดเทอมอเวลามาช่วงปิดเทอ ม, หม อ, ท ห, มอนะหมอดีลกเทศจนบวชเหมือนกันนะหมอดีหลกอยู่โรงพยาบาลแก่งค้อเกิดมาที่นี่จะมีคอสบ่่อย ท่านมามีคอรบ่อยพวกค่าราช ก, การพวกอะรเพียบเลยตอนหลังก็จะมีเรื่องของต่างๆนานางานเยอะทําคนเดียวทํางานคนเดียวนี่เด่นเป็นไปนะบอกก่อนต้องมีกลุ่มมีหมู่มีคณนะถ้าอยู่ไปทำคนเดียวเนี่ยเป็นไปเลยลนะเด่นเป็นไยรับงานไม่ไหวเลย ทีนี้จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่แบดกันต่อแล่จำนวนน้อยมากแล้วค่อยๆหายไปทีละคนสองคนเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำโมเองมันทำให้กันไม่ได้อาตมาก็ดูออกแบบการฝึกการหัดปฏิบัติรม ท, ทีเนี่ยที่แรกออกแบบว่าหลวงพ่อเนี่ยเ ย, นยน็นๆก็ให้เย็นไว้สักคนหนึ่ง เป็นตัวเล่นอารมณ์เย็นๆอธิบายเองก็จะกวนกวนไห้ค น, นมันบวกบวกลบๆบางทีก็บวกเล็กเราเครียดเรา่าแสดงออกแบบเครียดๆมันก็อยู่กันยากก็ต้องทำให้เขาอารมณ์บวกเกิดขึ้นมาแล้วก็แสดงทางการสอบตกของเขาด้วยถ้าเขาหัวร้อเขาก็สอบตกอ่ะ อารมณ์ปกติเฉยๆมันอารมณ์ธรรมดาธรรมดาแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเฉยนอกแต่กดค่มอยู่ข้างในนะมันไม่ได้กดอันๆจ้องๆเพ่งๆอยู่งในมันร้อนนิ่งแต่ร้อนแต่บางทีเนี่ยมันปลดเปิดอย่างมียุคหนึ่งนะอาจารย์โทนจริงนะมันโศเป็นพระพู้หลังของเราจริงเอาจังแล้วสายลงุงปูชาแล้วก็ยี่สิบฝรั่งเศสา สะพายบาทมาที่เนี่ยคนก็เต็มศาลาท่านก็มาบอกเออผมมหาอาจารย์ไปศาลเอามหาทำแมเป็นพระพลังคือผมได้ข่าวาที่เนี่ยฝึกเรื่องการจิตสติกั น, นการเคลื่อนไหวแบบแนวหลวงปู่เตียน ผมสนใจคำพูดหลวงปู่เทียนว่าปฏิบัติแล้วจะรู้รูปนามผมปฏิบัติมา20ปีนะผมไม่เะ้าใจจุดนีรูปนามคืออะไรบอกว่าจะเดินทางสู่มรรสุผล้ต้องรู้เรื่องรูปธรรมนามธรรมก่อนหลวงปู่เทียนบอกให้รู้รูปนามให้เห็นความคิดรู้ทันความคิดเนี่ยพอมายกมือ14อาจารย์โทนสะพายบาดหนีเลยนะ จันทนที่น้องโสนะไปเลยเดินลงจากเขาไปเลยแกงงมากเลยทำไมต้องทำแบบนี้กันยกมือส4บจังหวัดนะก็เลยกว่าจะกลับมาทีงอีกสองปีนะอา้าวจันทนเป็นไรอะ่ะคนที่แล้วหายไปเลยผมไม่ชอบ14ีจังหวัดท่านพอเนี้ยกัวกูหัวเราะด้วย ผมไม่ชอบสิบสี่จังหวะมันแปลกๆอ่ะผมว่ามีการถามกันมันมันไม่ใช่อย่างที่ผมเคยรู้เคยฝึกมาแต่ที่ผมมาอีกทีผมก็ากอยากจะลองจริงหรือเปล่าแต่แล้วท่านก็จำบรรษายติติ15นะ้าตรงนี้ในป่าเป็นกันมาทำวัดสวดมนต์แล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติ ด้วยความตั้งใจอะไรมันก็เข้าข้างในอีกอารมณ์นะจิตมันเข้าในมันไปกบดานอยู่กับการเคลื่อนการไหวก็รู้สึกไม่สบายหน้าไม่สบายตาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจาย์โทนก็มานั่งคุยกับอาจารย์กำพลที่สอนหนึ่งสอนหนึ่งไคนอนนี่มีค่ามากเลยนะี่แหละเป็นกุศแรกที่ผมเลือดมาทำหนึ่งก็ประมาณ5 0าหมื่นบาทสมัยก่อน ออกแบบมุงกระเบื้องทีนี้มานั่งคุยกันเมื่อก่อนจะมีระเบียงยนะออกแบบเป็นระเบียงมีคนก็ตั้งชื่อไว้ว่าร้านเสริมสวยสอนหนึ่งนะชื่อร้านเสริมสวยกุตที่ยแหวอยู่นะ อ, อ, อ น, นั้นก็เรียกว่าเกตเฮาส์ูรเบ้ ส่วนกุฏที่ท่านประสิทธิ์อยูนะ่หรือทิ้งไปมีอยู่หลังหนึ่งตัวนั้นจะคอนโดไม่มากแต่เป็นคนเก่าจริงองยุ่รป อ, อยากหมดเลยก็มีชื่อก็นหมดนะนะอาจารย์โทนเนี่ยปรากฏพอรู้รูปนามนะจับสภาวะสมดุลได้นะท่านแบบมองอย่างนี้เลยนั่งยกเบอิ์สติสิว่าท่านมองท่านผ่อนคลายทันทีทันใดเลย พิกจากหน้ามือไปหลังมือจากคนที่เก่งๆเครียดเคยีเคยจ้องจองดูแล้วก็หมังเว้นะกลายเป็นคนที่ธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเกิดความเป็นธรรมชาติแล้วมีความเป็นธรรมดาธรรมดาขึ้นมาในกายเป็นคนที่เป็นกันเองขึ้นมาเลยในขณะที่ตอนแรกดูแปลกแย่มากดูแล้วโอ้เป็นพระที่ดูเป็นพระฝรั่งดูเป็นพระที่ไปเข้าใกล้แล้วก็ เดี๋ยวจะโดนไอ้ความสิวิไลหรือว่าความผ่านประสบการณ์เทคโนโลยีอะไรมาอัดใจกลับเราเพร่อว่าเคยไปทักภาพฝรั่งนะอยู่รูปหนึ่งกันชื่ออะไรอะ่ะมาจากส่วนโมกมาจัดนโปลักษ์อยู่อาจารย์สันติกโลอันนี้ไปทักไม่ได้นะไปล้างบาทด้วยกันไปทักอาจารย์ ตอนนี้จันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวนะไม่ได้ฝึกตรงนี้อยู่แกล้างบาดแกกับพูดเลยเสียด <c oughs> โอ้โหแรงเนี่ยไม่พูดก็ได้ <Yeah. S 1> แล้วก็มันแตกต่างจากอาจารย์โทนหลังจากฝึกแล้วนุ่มนวลอ่อนโยนนะแล้วรู้สึกเป็นธรรมชาติมากเลย การกลมกลืนเวลานั่งนะ่ท่านจะลืมตานะจยนโทสมัยก่อนจะไม่ชัดเจนกันเาหลับตาลืมตาแต่รู้ว่ากรรมฐานลงปุทเทียนนะ่ฝึกแบบลืมตาแต่ว่าไม่มีใครทํากันมานั่งยกมือกันลับตาพลิ้มเคลิมกันมันอร่อยเหอาจย์โทแนลนะ้วเปิดตาเลยถามจานโทนไม่ต้อง็สยขนาดนั้นเลย อาตาบาเนีกล่าถามคนที่ไปนั่งและสอดสายขนาดนั้นเลยโอ้ท่านบอกมันสักต่อว่ามองไมันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมองแล้องคอยหลบตาคนคนมองมาไม่กล้าแต่นี่มองไม่ได้มองตาคนจ้องตาคนก็มองมาใจเราไม่อดอนไหวเลยโดยเพราะแถวสราณ้าเวลานั่งทานข้าวอาจารย์ทนจะใช้ตาเรียนรู้ธรรมะคือตาเปิดแต่ใจมันกลับมาไง มาดูตัวเองถ้านเห็นสภาว่าแบบนี้นแล้วท่านก็นบอกด้วยว่าผมฝึกมาถ้าหากว่าผมหลับตาเมื่อไหร่นะผมให้ฐานจิตดวยลาชาติหน้าชันใดถ้าเกิดไม่ก้อยตาบอดกใอ้เป็นคนาตาบอดไปเลยเนี่ยก็คือเขาเอาจริงเอาจังมาให้ฐานจิตถ้ า, าว่าตาหลับเมื่อไหร่อาจว่าขาดสติ คืฐานจิตไว้แบบนั้นเออเราก็ได้เห็นร่องรอยของคนที่มาฝึกมหาธิเนี่ยหลายคนปรากฏว่าได้สัมผัสสภ า, าวะรูปนามแล้วก็เกิดความรู้สึกกับตัวเองแบบมีมิติใหม่ๆขึ้นมาใดใช้อาจจนะน้หูก็เปิดลงไปจมูกก็เปิดลงไปิรนก็เปิดลงไปสัมผัสรสชาติ มีตัวรู้ตัวดูเข <c oughs> เรียก่าอายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะรูปรสกลิ่นเสียงโพดธะพธรรมลมมันมีอายตนะสลายอตนะที่มากระทบกันจะนั่งเกิดการสัมผัสรู้สึกไมนะมันไม่ใช่แค่เคลื่อนมือรู้สึกนะพอมันเจอความสมดุลมันเปิดเปิดไอ้คนเคยขี้ขาด ตาขาวพวกอสุรกายจิตสุรกายขี้ขาดตาขาวก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่ขี้ขาดตาขาวขึ้นมาจากเปรตคนขี้ขาดอาสุรกายขอไปจากอาสุรกายก็คือไม่กล้าไม่มีความอดหานในการนั่งเดินยืนนอนการพูดการอะไรสารพัดเลยนะเจอคนการเรียนรู้อะไรพวกนะั้นมันจะประมารหรือประมาท แต่พอมันมีความรู้สึกตัวกมันมันมั่นคงกล้าพูดกล้าคุยคาว่ากล้าพูดกล้าคุยก็มหมายถึงว่าคนที่เคยไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยเด็กเวลาเขาเกิดความประมาทประมาทกลัวไปสอบต่างประเทศแล้วโดนสัมภาษณ์พวกนะ้นเขามีความรู้สึกตัวนะมันเปลี่ยนไปเลย ก, ก็บอกถึงผลเหมือนกั น, นมันใครฝึกก็ได้สัมผัสอยู่ เวลามีความรู้สึกตัวมันจะมั่นคงจิตใจไม่โลเลไม่หวั่นไหวมันก็เป็นผลเป็นนายที่สองล้ที่พอให้เราสัมผัสได้ว่าเออการวิวธ ร, รมนี่มันมีประโยชน์จากคนที่เคยกลัวมันก็ไม่กลัวไอ้คนกล้ากับกลัวคนกลัว ก, วกับกล้าเนี้ยมันหายไปเลยเมื่อก่อนเนี้ยลองจับไม้แท่อย่างเงี้ยโยมลายไหนก็ลายนั้นนี้มันมันบอกไม้ถูก มันอึดอัดเวลาเดินน่ยมันจะเทศดีโยมเดินเนี่ยเดินไปเดินมามันจะคุยกับเองดีธรรมะเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนั้นสติเป็นอย่างนี้นมันจะเดินคุยอยู่ได้นนะเป็นฉากเป็นฉากแต่พอมาถือไม้ปั๊บเนี่ยมันพูดไม่ออกไอ้ที่พูดเก่งๆว้จับไม้พูดไปเกินหนาทีไม่มีสภาวะพูดไม่ออกเป็นอย่างนั้นเั่นเราได้เห็นแล้วโอ้มันมีเรื่องแบบนี้ในชีวิตของเรา พระเจ้าว่าสององค์เจ้าอะไรมันกลัวเรือยางมันโกรธแรงสมัยก่อนนี่โกรธแรงแรงอย่าให้ได้โกรธเลยไม่ได้สนใจเลยเรื่องอื่นๆความตายก็ไม่กลัวมีปืนก็ปืนตบหน้าเลยไม่ยิงไม่ยิงก็ติดคุกแรงตบหน้าเนี่ยโอ้ผู้ชายเนี่ยลองเอามือตบหน้าเล ย, ยมันเจ็บใจนะผู้ชายไม่ได้โชคกันหรอกมาอยู่ ใ, ใกล้ตบเปียนตบปากแล้วมันเจ็บใจ มันโกรธเนี่ยมันมันแสดงออกทันทีไม่ได้ใครพูดนานมองหน้านานหรือว่ามันนินทาใส่ไลาอะไรเลยชีวิตเนี่ยมันมันทันทีแสดงออกแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเฮ้ยก็ว่าเดี๋ยวนี้หมายถึงว่าพอมันมีสภาวะออกมามันจะกลายเป็นเฮ้ยอยู่กับสภาวะอยู่กับสภาวะมันมีตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาคือตัวปกติแล้วก็จะมีวิธีคิดแง่บวกหลังจากที่ตั้งสติออกมาด้วย มันจะเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างที่เป็นแง่มุมไม่ทําให้เราได้แสดงออกทางกายวา จ, จาใจออกไปเป็นทุจริตงงมันจะมีเันอยู่เขาจะใช้ใช้ด้วยสติเป็นปฏเดชเตโชคือไฟอะไรพวกนั้นจะเป็นผลของการฝึกสติอย่างที่เมื่อวานได้พูดถึงหลวงพ่อท่าหมาขึ้นมาเอาไม้ปาลาอะไรอะไรเงี้ยมันได้เห็นสภาพอย่างนั้นแต่จริงๆท่านไม่ได้เอาไม้ปลาหรอก นามิดขอเอาไม้ถ้าอยู่ในมือหรือว่าลูกกศุนหนังกรติกอะไรพาเนี่ยท่านก็ใช้อันนี้นก็เรื่อพันเดชพระครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็มีวิ ธ, ววธีมีวิชาการที่ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วมีผลขการปฏิบัติอย่างไรท่านก็ใช้ใไปเราก็รับผิด ช, ชอบทำเป็นอย่างนั้นผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถู ก, ถกไม่เป็นไร เมื่อก่อนถูกเราก็ระมัดระวังทําถูกด้วยความทุกข์ผิดไม่อยากทําำพอทําก็กลายเป็นทุกข์สุขสุทุกทุกอยู่แล้วนะทำดีก็ทําดีทั้งน้ําตาทําดีก็กลัวเขาว่าอะไรแบบนี้มันมีอยู่เพราะว่าอายชั่วกลัวบาปมันกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นไป เพราะนั้นจริงๆแล้วการกระทำทั้งหลายทั้งปวงอนะ่ะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะพร้อมเผชิญยมเคยเจอไหมคนที่เรากลัวที่เราโกรธเราไม่กล้าเผชิญเคยไหมเอ า, านี้ไม่กล้าว่ากลัวกลัวใจตัวเองว่าจะไปทําให้เขาทุกข์กลัวทำมาเยอะด้วยไม่ใช่อะไรหรอกทำมาเยอะ แต่พอเราปฏิบัติเนี่ยเออมันกลายเป็นอีกอย่างนะก็ยอมก็มั่งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกให้ก็ถูกซะไอ้ตรงนี้มันมันกลายเป็นเรื่องของพลังที่ปนตีกลับมาเป็นเรื่องของความให้อภัยเป็นเรื่องของเมตตาเป็นเรื่องการยอมคนยืดหยุ่นอะไรมากมายแล้วกันการให้โอกาสกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเอออะไรก็ได้ปล่อยตามปล่อยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันก็เกิดขึ้นไมาบางครั้งบางคราวนะเราได้เห็นบางอย่างในตัวคนอื่นมันตรงกับเราโอคนนี้เขาปฏิบัติธรรมก็รู้สึกตัวอยู่ก็ผ่อนคลายแล้วนะเขาคิดกับพูดเขาทำดูแล้วมันอยู่ในความพอดีพอเหมาะพ อ, อควรอนะไรเงี้ยเราเห็นไม่งั้นมันตะ่นเติดเวลาดีก็อยู่กันอยู่นั่นนะ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนัม่งพูดนั่งคุยกันสารพัดแต่มาอยู่ในสาระของการเจรติญญาหรือว่าการสอบอารมณ์ถ้าเป็นอาตมาคุยนะจรรมแวมคือการสอบอารมณ์แหละแล้วก็ดูเออเป็นไงถ้ายิ้มอีกแล้วหัวลออีกแล้วสอบตกเข้าใจไหมสอบตกแล้วไม่ปกติแล้ว บางทีก็เคลียดีแล้วแย่ให้เครีก็เคียดแล้วก็สอบตกเนาะเราก็สมมติอุปหลงเรงแหลนะเดินสอบอารมณ์กันสมัยก่อนจะมีคนอารมณ์แรงๆอยู่ในวัดหลายคนเอามัก็เลยตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานฝ่ายสอบอารมณ์ไปเลยอยู่ในวัดบางทีก็ติ้งต้องพระมีซาวเบานะ้าเดินลองเพลงตายตายตายตยต พระบางโรคเลยก็นนคือกินยาโรคจิตมาแม่ก็ผักมาบวชอยู่ที่นี่บางคนนี่เดินยงกกมนะโยมนะสบายก่อนนะพระกินโร ก, กินยาโรคประสาทเวลาโ ย, ยมเดินยงกกมเนี่ยท่านก็จะมานั่งก้าอี้อยู่หน้าตลาดไก่เมื่อก่อนมีเก้าอี้รอบเลยระเบียงอย่างเงี้ยแล้วมีเก้าอี้รอบโยมเดินยงกกมเดินไปเดินมานะท่านก็นมานั่งตรงหน้าเวลาเดินจะถึงเก้าอี้จะเจอพระรูปเนี้ย พอเดินจะถึงพระก็จะทำมืองไงนะยอมดูทำเล็งเป็นเปิร์นเงี้ยแล้วกว็ยุคนี้ยังดีไม่เจอขนาดานนั้นนะโยมโยมงงเลยอะ่ะว่าโอ้นี่กูมาโรงพยาบาลปราสาทโรงพยาบาลบ้าหรอว่าป่าก็โตอามันก็ต้องไล่ตีพระอีกนะต่อมาอันนึงไล่ตีพระเดินวิ่งกันรอบวัดเนี่ยสารพัดสารพัน เลามาตั้งให้เป็นฝ่ายสอบอารมณ์กรรมฐานทยอยมนิ่งๆเฉ ย, ยๆได้ก็แสนมีพัฒนาการของมันตอนนี้มีคนน่ารักที่บอกเป็ น, นาศาสตาจารย์เกียรติคุณอยู่ในวัดน่ารักความน่ารักก็คืออะไรปีหนึ่งเขาแบ่งเวลา4ี่สวันให้กับชีวิตของเขามาอยู่วัดป่าสุกโตนะวันปีหนึ่งนะเดือนกว่าถือว่าเยอะนะก็ทยอยมาประมาณ4ี่ครั้ง ธรมากชีที่ให้สบายก่อนนะ่ะป่าแตกก็ว่าธรรมาเนะี่ชีที่ให้ปลูกกุฏไม่ต้องมีการประชุมสงฆ์อะไรเลยในเมื่าเหตปัจจัยของโยมเข้ามาก็จะสร้างเงินพร้อมมีช่างคุยกันเรื่องราคาแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินผ่านพระนะสร้างอะไรขึ้นๆๆๆๆในป่ามีบันไดมีทางเดินก็ไปพยายามไม่เดินลงดินเพราะเวลาหน้าฝนหน้ า, นามันท่วมมันหลากลงมามันแฉเร่เทะ ถ้าทำสะานให้จดได้อยู่กันนะไม่มีใครกวนหลวงพ่อสั่งไว้กุญแจเนี่ยถือไว้ได้เลยถ้าเป็นคนระดับเนี่ยให้รับผิดชอบตัวเองไปถือเป็นบ้านตัวเองไปเลยบางทีพระก็เอา้าทําไมคนมาอยู่เองทําไมไม่ให้กุญแจแม้อยู่วัดแล้วนะเป็นส่วนรวมมาเถอะพระอยู่ๆไปยึดอะไรของเขานักป่าก็เป็ใเ่ของพระของวัดตั้งหต่เป็นของนวนป่าไม้นวลเดี๋ยวเขาจัดการเขาเองหรอกไม่เกี่ยว นิพพามาอยากได้อยากคุมกันนู้ก็คุมไม่ได้อยากได้ก็ทํากันไม่ได้ไม่ว่ากันออกแบบอะไรกันให้มันกลมกลืนก็นธรรมชาติมาไม่ใช่ว่าแหวกๆหวแนวๆสีสันเหมือนที่อื่นดูแล้วไม่สงบตาไม่สงบใจไม่ลื่นลมดูแล้วมันเป็นอะไรวัดบ้านเหนือล้ข้างหน้าให้มันเป็นธรรมชาติที่ใจคนฝึกแล้วก็มันมีความสงบสงดัดแก้แยกกันนะ เอาไปหาแกว่าคนเก่าคนแก่ก็เดินไปหากันาบ่าวานแกก็เดินไปหาเราคุยเรื่องปฏิบัตินี่แหละว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาออกจากสมถะกรรมฐานยังหมอกเกี้ยงศักดิ์นี่แกดีถึงวเวลาฟังแกฟังนะแกก็บอกภรรยาแกว่าอืมฟังอาจารย์พูดก่อนนะคือคนมันมีปัญญาเ ด, เดี๋ยวมันจะสวนเดี๋ยวมันจะสวนนันะ แต่เขาเตือนกันสติเขาดีเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์พูดให้จบก่อนไม่งั้นพูดจะไม่จบจะสวนขึ้นในสมองตลอดขณะที่นั่งฟังนี่เน่ยฟังอาจมาพูดมีการสวนในสมองไหมโยมเวลาเราจะพูดมันก็สวนขึ้นบางทีเราก็หยุดหยุดนิดนิดพูดไม่จบา่าหยุดนิดมันก็มีภาษาโผล่เข้ามาในหัวเลยพูดต่อเองในใ น, ในหัวของเรามีไมโยม นั่นคือให้เห็นตัวความคิดจุดกาเนดความคิดที่มันเกิดขึ้นมาหมอเกียงศักดแกก็จะปฏิบัติอยู่ที่กรดของแกส่วนโยมแอดแกก็จะแยกไปตลอดไปอยู่ที่บ้านโยมนิดข้างนอกก็เป็นความน่ารักแกไม่อยู่ด้วยกันทันทในี่แกก็ชอบอยู่ด้วยกันชอบพูดชอบคุยตอนที่เป็นครอบครัวกันน่ยโยมแอดก็อา ย, อยุน้อยหเหมอเกียงสักก็70กว่า ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนกับตักเตือนกันก็ชวนกันได้ดีอนะจากทั้งเป็นพยาบาลสี่สิบแปดสี่สิองไม่รูนะมันมีสี่อะไรม้างอะพยาบาลนะโอ้โหสี่เท่ากับผลัดกระทรวงพยาบาลเป็นผู้บริหารจุฬาดังั้นคนที่เข้ามาตั้งใจใส่ใจบัตก็มีแบบอย่างเป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมัยก่อนนู่นเลยนะไอ้สิ่งเหล่าเนี้จะสูญหายไปตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ย หลังจากกลับมาจากระยองผ่านกันมามาันจะสังเกตอยู่ตลอดนะฮะใครไปดวดม้างในวัดก็มีนีที่เห็นอาจารย์สมทรงเนี่ยอาจารย์จบพิสิคสอนฟิสิคใช่ไหมเก่งนะสอนเด็กช่างสอนเทคนิคนะอาจารย์สมศรีนัน่งอยูนะ่ไม่รู้แกเป็นอะไรแกก็นั่งยกไปเรื่อยก็เชื่อว่าแกก็มุ่งมั่นนะที่จะไปดวดรำ จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาเออเป็นแบบเป็นอย่างมันมีแบบอย่างเป็นรุ่นเป็นรุ่นบางจังหวะบางจังหวะแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันมีคนเป็นแบบอย่างอยู่คนเดียวมัก็ศรัทธาแกนะชื่อใยทองคำใยทองคำเนี่ยมาศรัทธาแกแกอยู่ที่จตุรัสอะกาลิโกก็ชัยภูมิเนี่ยแหละแต่มันห่างจากนี้ไป ประมาณสักร้อยโลอะไรเอาทีนี้แกก็ชอบทําครัวเวลาทําครัวที่จตุรัสนี่แรงครัวนี้แรงนะบอกฮะเป็นเรื่องผลประโยชน์บ้างอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นแรงตรงไหนมีผลป ร, ประโยชน์ที่นั้นก็ขัดแย้งกันแกก็โอ้ทะเลาะบ่ อ, บอแวงกับแม่ครัวรุง่งเลง่ลงรุง่งเร่งห้ามเข้าครัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นทีนี้แกก็เลยย้ายมาที่นี่ ัดปดาสุกโตเนี่ยแหละมาอยู่ให้กุศสี่ห้องเนะี่ยยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแกอยู่นั่นนะจนนั่นตอนหลังเนี่ยแกก็พูดว่าฉันรู้แล้วมันมีตัวรู้เกิดขึ้นมาในตัวแม่เนะี่ยแกบอกนะีฉันอยู่กับตัวรู้ฉันอยู่ตัวรู้แต่ก็จะมีบางครั้งบางคราวที่แกก็งุดหงิดกับคนอื่นเช่นยายเพียนชาวบ้านมาอยู่วัดเนะ่ยายเพียนแกก็พูดตำษาชาวบ้านแกก็ไม่ปฏิบัติสักเท่าไหร่ ก็ปฏิบัติอยู่นะแต่กับภาษาลงเล็งลงเล็ ง, งแล้วเป็นเจ้าถิ่นก็หวงเอกุติศาลาก็จะทะเลาะกับยายทองคําเป็นประจำมาละยายทองคําก็จะมาฟ้องบางทีนั่งอยู่แถวๆนั้นก็อียอย้าอยายเพียร น, นะชาวบ้านน่ะ น, นะแกคายคอหรือเป็นหวัดหน้าหนาวแกขากถุยลงไปตรงนั้นนะตรงพื้นตรงนั้นนะยาเพียรยายทองคำแกก็ไม่พอใจอยู่นั้นนะ บางครั้งบางข่าวก็ต้องเตือนเออถ้าพูดได้ก็พูดถ้าพูดไม่ได้ก็เฉยๆไว้ก่อนนะตักเตือนยายทองคาเจ้าท่างล่าสุดนะแกายุแ7ปีแกกลับไปอยู่บ้านยายทองคำนะอาตมาไปเยี่ยมยายทงคำก็บอกตัวรู้นะมันอยู่กับฉันนะเดี๋ยวนี้อยู่กันเนื้อกับตัวไปไหนฉันก็รู้ตั้งแต่หัวจรดเท้า ฉันก็นอยู่เหมือนอยู่วัดเลยสวดมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัติลูกๆเขาเป็นครูเขากเกษียณแล้วทีเขาไปออกกาลังกายฉันก็ไม่ได้รบกวนอะไรเขาหรอกฉันก็หาอยู่หาหกินของฉันได้อายุ87ปีมีสติดีมากมาวัยวิญญาณครั้งสุดท้ายแล้วอยู่ไม่นานประมาณเดือนนึ่งวะแกตายและแกตายในท่าเคลื่อนมือ14ชิ้กว่าโยมแกตายในขณะที่ แกนอนแล้วแกขยกมือแล้วก็มาจบจังหวะเนี้ยเนยจบจังหวะที่มือซ้ายอยู่ที่อกและมือขวาอยู่อย่างเงี้ยแล้วแกก็ตายนอนหลับพอแกรู้สึกแกจะตายแกก็ตื่นขึ้นมาทำสิบสี่จังหวะมีสติดีปกติเนี่ยลูกก็เห็นเวลานี้จะต้องเดินตรงกลมแล้ว เวลาเนี่ยม่ต้องลุกมาเดินจงกรมแต่วันนี้ขี่จักรยานกลับมานะทําไมแม่ยังไม่ออกมาไปดูปว่าตายและตายอย่างสงบเนี่ยเนี่ยอามัก็มีความเชื่อส่วนตัวว่าคนที่มีสตินะมันก็ต้องใช้สติในการตายอย่างใยทองคำอย่างเงี้ยคนที่มีสมาธิก็ต้องใช้สมาธิในการตายนะแต่หลวงพ่อมันเขียนเรามีปัญญาก็ใช้ปัญญาในการตาย เป็นยังไงมีปัญญาในการตายก็ก่อนที่จะใจจะขาดรู้ว่าเออมันจะต้องมีการรดน้ำศพคนตายส่วนใหญ่ก็ธาแตกธาแตกธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุโลหิต้องหอไหลเช่นเลือดออกจากหูอย่างเงี้ยนะหรือว่าออกทางจมกูกหรือปากนิดหน่อยธาแตกหลวงพ่อก็รู้แล้ว หรือบางทีก็อุจจาระปัสสาวะจะแตกเข้มาถ้าแตกท่านก็จัดการตัวเองเดีมีสติแล้วเดินไปถ่ายมูถ่ายคูดถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระพอเรียบร้อยก็ล้างเรียบร้อยดูตวขงตัวเองเสร็จแล้วก็มาล้างไม้ล้างมือล้างหน้าล้างตาล้วดีไม่การล้มน้ําศพประเพณีไทยท่านก็ล้างเองก่อนแล้างเช็ดจนสะอาด แล้วก็เดินขึ้นเตียงขึ้นเตียงนอนอก็มีสติสักหน่อยบอกคนที่อยู่รอ บ, บตัวโดวยการเอากระดาษมาเอาปากามาแล้วก็พวกเราขอให้หลวงพ่อตายพ่อส่วนใหญ่จะยืนไว้ไงพอจะหายใจไม่ออกก็ไปช่วยหายใจพอหมดลมหายใจเดี๋ยวก็ะพร้าหัวใจอะไรเป็น ไม่ต้องมายื้อไว้ขออนุญาตตายแล้วถึงเวลาแล้วคนมีสติรู้ตัวจะตายแล้วก็แถมยกมือพนมมือขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้มีอายุสูงถ้าไม่มีคุณธรรมจะไหวคนไหมที่เป็นลูกหลานหลิอนหลอนว่าเด็กๆยกมือขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ราดูแลธาตุขันเราไหม จริงๆถ้าท่านไม่ดูเราตายไปนานแล้วอะไรเงี้ยท่านขอบคุณเราว่าโอ้เนี่ยอตาตมาที่ได้ฟังมันทราบซึ้งนะทราบซึ้งภายในใจของเราไอ้ความยะโสโหังหญิงพระหยอ ง, ง, ง, งลําพองอัตตาตัวตนมันหายไปไหนนะตัวเนีน้ปกติมจะมนะีความเจือหญิงจองหองพองคนนะแต่อันนี้มันทําไมมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันรู้สึกว่าเออท่านทําในสิ่งนี้งดงาม ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาขออนุญาตแล้วเสร็จแล้วก็วางไม้วางมือดีๆ ม, ม, ม, ม, ม, มองโลกครั้งสุดท้ายด้วยตาใสแป๋วเลยไม่ใช่ว่าตาหวัดหวั่นหรือว่าซึมๆขุ่นๆไม่ใช่เป็นประกายมองโลกครั้งสุดท้ายเป็นประกายแล้วก็นอนตายตาหลับโอ้มันงดงามอาตมาก็เลยไหว้อาจารย์คนนี้ได้อย่างสนิทใจมันไม่ตะกี้ตะขวงใจหรือว่า มีความรู้สึกศรัทธาลดลงมันเต็มเปี่ยมตรงนี้ท่านตายใหด้ดูเป็นครูเป็นอาจารย์ตัวจริงที่เวลามีชีวิตก็นั่งเดินจีนนอนสอนคนให้เขามีความรู้สึกตัวมีคุณธรรมขึ้นมาแล้วก็เลยมีตัวอย่างของที่เนี่ยหลายคนหลายท่านที่เป็นแบบอย่างให้เร า, าสัตว า, าสิ่งต้นไม้ใบหญ้าต่างๆ เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบในการที่เรากำลังได้ฝึกหัดตนสอนตนกันเพราะฉะนั้นการไปฏัธรรมก็คือการหัดกายหัดวาจาหัดใจของเรามีการสอนมันไม่อดทนก็ทนเข้าไปสอนมันมันไม่ฉลาดมันไม่รู้ก็รู้ลงไปเหมือนบวนที่เพื่อรู้กายวู้นารู้จิตรู้ธรรม อันนี้เป็นคำภีรเป็นพระไตรปิฎกที่เขาชี้นําให้เราฝึกสติปัฏฐานเมื่อเราฝึกแล้วก็จะเหมือนกับบทสวดนะบทพาหุงบทนี้นี่เขาสวดที่บ้านส่วนใหญ่เวลาไปสวดทําบุญหรือที่วัดเวลาเป็นบรุญรพระเป็นบทสวดที่เมื่อกี้เราแปลกันเราได้ความหมายภาษาไทยบางครั้งพระเจ้าก็เอาชนะด้วยความอดทน บางครั้งะเอาชนะด้วยสติด้วยปัญญาบางครั้งอาวชนะด้วยเมตตานะบางครั้งอาะะวชนาดการนิ่งวางเฉยเวขาอนะไรบางทีเราก็ต้องนําคุณธรรมเหล่านี้มาใช้ถ้ามันมีนะนำมาใชนะ้สติปัญญานะสติมันจะขนส่งเอาปัญญามาใช้เอาคุณธรรมมาใช้อย่นะางเงี้ยการระลึกได้นะสําคัญนะเป็นเรื่องของการมีสติ รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ฝึกเอานะหลายคนวันนี้วันที่สองเราจะทยอยกับบานะงทีมาไกลถึงตราดน่นนะสนใจหลังจากที่เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนใน YouTube มาแล้วหนะลวงพ่อเทียนในี้อยู่ใน YouTube นะก็ไปเรียนการอาจารย์ YouTube เนาะก่อนเข้า Google ก็ไปอยากรู้เรื่องอะไรก็รู้ได้ทั่วโลก แต่ตนนี้เามาสัมผาสถานที่จริงแล้วมันก็แค่นี้แหละ ว, วัดป่าสุกโตนะสิงแวดล้อมมันเป็นอย่างที่เป็นนี่แหละมันก็เปลี่ยนไปในเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เปลี่ยนยังมีคนที่รู้กันคนสองคนยังตั้งใจปฏิบัติสร้างสารรค์กันแล้วก็เป็นแบบอย่างกันนะผมก็ตั้งใจไว้นะอัตมาก็ตั้งใจไว้วันนี้ว่าบางทีอาจจะมีการเดินทาง ผู้ชายนี่นเป็นชาวสุดท้ายของที่วัดป่าสุตโตรนะใครที่อยู่วัดกัมยามสืบทอดนะสืบทอดอ้รูปแบบปฏิบัติไม่ใช่แบบนกแก้วนกขนทองแต่ว่าเป็นสภาว่าที่มันปฏิบัติแล้วเราเข้าเข้าใจจนได้ใช้มันนะแล้วก็พอใช้ด้วยนะสตินี้มันพึ่งได้มันก็เงินนะนะสตางค์เนี่ยพิ่งได้แต่เราก็ต้องหาสตางค์ให้มันพอใช้ด้วยนะสติก็เหมือนกัน ก็พอใช้ในที่นี้คือมันเป็นลักษณะของความแตกฉานนะสติปัญญาความแตกฉานตรงนี้มันเป็นสติปัฏฐานที่ไม่ต้องประคองสติที่ต้องประคองก็หมายถึงเรามาฝึกที่สี่ยังไงแต่พอมันมีแล้วความสมดุลมันมีไม่ต้องประคองก็คือนั่งเดินยืนนอนออกนอกรูปแบบและเวลามันมีความคิดเกิดขึ้นมามันจะรู้เท่ารู้ทันแล้วมันจะกลับมาทันทีรู้ทันทันทีความคิดก็จะแยก ทีวแยกเป็นอย่างนี้นะเหมือนนิ้วสามนิ้วย่เงี้ยโยมนิ้ว3มนิ้วจะแยกอย่างเงี้ยสติ er, ม, masa, มันจะ ค, yz, ค Owner, ือตรงกลางอย่างเงี้ยมันจะเป็นตรงกลางมันสูงเหมือนนิ้วเลยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางสามนิ้วนี่ไอ้ตัวนิ้วกลางเนี่ยมันจะคือตัวสติมันจะสูงอย่างเงี้ยส่วนรูปธรรมเนี่ยมันจะอยู่ต่ําๆต้อยๆเนีตัวนามธรรมก็เหมือนกันจะอยู่ต่ําๆใต้อยๆ ทีนี้ไอ้ตัวรู้กับตัวหลงนั่อยู่ที่เดียวกันพอมันพลิกรู้เป็นหลงปับนะ๊บเนี่ยมันจะวิ่งแวบไปหาปรูคันให้สังเกตให้ดีอันนี้บอกนะเวลามันสติทรงอยู่ทรงศีลทรงธรรมเนะี่ยมันจะปกติธรรมดาธรรมดานิ่งๆว่างๆตื่นๆแล้วก็รู้แบบมันรู้แบบมีสมาธิข้างในนะมันจะนิ่งๆพอมีปฏิยาเคลื่อนไหวแวบนิดเดียวนะ ออกมาก็มีพลังมีความเชื่อว่าพลังงานเหล่านี้คือพลังงานไฟฟ้าในตัวแต่แวมันแวบมันมีการกระดิกนิดเดียวเวลามันคิดเนี่ยไอเนี่ยมันเบาเวลามันรู้สึกเนี่ยที่กายเนี่ยมันหยาบถ้าเราเห็นไอรูปกระดิ่ที่มันหยาบมันวิ่งแวบเข้ามาเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะทําการเคลื่อนการไหวมีการสั่งมันต่อบางทีก็ตัวรู้สั่งแสดงว่าจิตนิ่งอยู่บางทีตัวหลงสั่งคือมันวิ่งมาแล้วมันหลงหายไปเลตัวเราหายไปเลย วิ่งไปในความคิดเงินตัวหายไปเลยตัวรู้หายไปแค่ น, นี้พอเราสังเกตได้ว่าไอต้ตัวรู้กับตัวหลงมันตำแหน่งเดียวกันมันถึงมีพลังตัวหลงนะแต่ตัวสติมันจะตื่นทันทีเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวไอ้ตัวหลงจะเกิดขึ้นทันทีที่เราไม่รู้สึกตัวเออเหมืนก็แปกเหมือนกันนะมันเป็นสภาวะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นในสภาวะตรงเนี้ยตรงนี้ยมันเลยกลายเป็นเรื่องของความเป็นเองอัตโนมัต เกิดขึ้นไหมแต่ถ้ายังไม่เป็นขนาดนั้นนะกลมนากลมตาดึงกลับมารู้ที่ฐานกายก็ว่าพอมันเกิดสมดุลไนาดน้นนะมันเกิดความเป็นอิสระทันทีเราก็พูดเอาไว้ในประเด็นตรงนี้ในจุดนี้เรียกว่าจุดสติรู้ ก, กายสติรู้ใจสติรู้สติตรงนีน้มันเป็นวิปัสสนาตรงนั้นเลยมันไม่ได้เป็นสมะถะกรรมฐานไม่ต้องกดไม่ต้องคม่มตรงนี้จะพร้อมเผชิญกับรูก้กับรสกับกลิ่นกับเสียง แล้วก็ความคิดในอดีตที่ผ่านมาวิบากรรมทั้งหมดนะที่เป็นผลส่งมาจากวิจากการกระทําของเราเพราะฉะนั้นจึงมีคําสุดท้ายขอญาตใช้คําบาลีนิดหนึ่งนะมันจะมีเกิดขึ้นมาในการวิโยธรรมของเราเช่นตะเมโสปุปเพกตาเหตุสุขทุกขังนิคัตจติโปูลานกังกระตังปัปังตะเมมฤเจี๊นังนะขณะที่เรารู้สึกตัวอยู่นะขณะนี้ ไม่ว่าเราจะสุขหรือจะทุกข์ก็ตามใจของเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ตามเป็นผลที่เกิดจากการทำกรรมดีกรรมชั่วในการเก่านะก็คือเราขณะนี้มันมีความคิดอดีต ท, นะที่ดีบ้างชั่วบ้างอย่างเช่นบางคนออกเงินกู้แล้วลูกหนี้ไม่จ่ายอะไรพวกนีน้มันตามมา ก็ให้ชื่อว่าประดุษว่าเรากําลังใช้หนี้ชะนี้เวลาปฏิบัติธรรมนะผลของความคิดที่เกิดขึ้นมาก็คือการใช้หนี้ของเราเป็นนกรรมเพราะนั้นทุกครั้งที่รู้ปัจจุบันก็ล้างทันทีล้างทันทีล้างทันทีทนทเนาะสมควรแก่เวลาละเกินมาสิมทีขออภัยก็ขอให้เราได้ฝึกปฏิบัติธรรมกันแล้วใครที่รู้เรื่องนี้แล้วก็พยายามแสดงออกบอกต่อกัน เหมือนกับว่าสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆคนถ้าสนใจเหตุก็รณ์คือการเจริตติรู้สึกตัวก็ขอให้ผลเกิดปัญญาแล้วทาให้เราเดินทางสูตรกฎหมายสูงสุดก็คือการเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนื้อทุกข์ก็ได้เกิดในวันชาตินีดน้ด้วยนักการทุกท่านทุกรูปทุกนามเทอ